สภาวะคู่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อให้รู้จักความหลงถ้าไม่รู้จักสติก็ไม่รู้จักความหลงเหมือนทุกคนชั่วหมดก็ไม่มีคนชั่วแต่ถ้ามีคนดีขึ้นมาก็จะมีทั้งคนดีและคนชั่วเรามีสติเพื่รู้จักเผลอสภาวะคู่เช่นนี้จะแสดงไตรลักษณ์เช่นความรู้สึกตัวและความหลงก็ไม่เที่ยงจิตเผลอก็ห้ามไม่ได้จิตรู้สึกตัวก็ห้ามไม่ได้กุศลขีดอกุศลสุขขีดทุกข์ ดีขีดชั่วมืดขีดสว่างก็ไม่เที่ยงในที่สุดปัญญาแจ้งเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนดับทั้งสิ้นไม่มีตัวตนถาวร